นั่งขัดสมาธิเพลือนั่งสมาธิให้พากันนั่งขัดทับสมาธิให้ได้ทั้งหญิงทั้งชายคือให้เอาขาซ้าย <c oughs> ขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้าย ตั้งตัวตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตาการหลับตานี้คือว่าการฟังธรรมการนั่งสมาธินี้ไม่ได้เกี่ยวกับลูกกระตาตามีไว้สำหรับเดินทางไปมาทางไหนไม่ให้ทำต้นไม้ตํำเสาตํำหิน เรานั่งขัดสมาเพ็ิภาวานาพุโทโธพุโทโธในใจไม่เกี่ยวกับลูกกตาเรียกว่าหลับตาไว้แต่ว่าไม่ให้ใจหลับบางคนขันนั่งภาวาน า, า, ว า, นาพุโทโธหลับตากดใจก็ไปหลับด้วยพุโทโธไม่ได้ภาวานาจิตใจก็ไม่ผ่องใสทําใจของเราให้ผองใส เพื่อให้ใจเระเลิกถึงคุณพระพุทธเจ้าพุทโธพ ร, ระพุทธเจ้าพุทโธพ ร, ระพุทธเจ้าพุทธคุณคุณพระพุทธเจ้านี้ไม่ว่าอยู่ที่ไหนไปที่ไหนให้พากันเจริญพุทโธคุณพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะคือว่าเราไปรถไปเรือไปเหนือไปใต้ ขึ้นมาจนถึงเชียงใหม่กว่าจะกลับไปถึงสระบุรีแก่งคอยนั่นแล้วว่าไกลแล้วว่าไกลแสนไกลสมัยโบราณไม่มีรถลาอย่างสมัยนี้จะลงไปกรุงเทพไปอายุทยาไปสระบุรีไปแก่งคอยนี่นับเป็นเวลาเดือนละเป็นเดือนย่ำตอกไป สมัยนี้คือว่าเป็นสมัยยวดยานพาหนะไปบนฟ้าไปเครื่องบินก็ยังได้เรียกว่าเป็นสมัยรวดเร็วคนสมัยโบราณจริงๆเชียงใหม่นี่ตั้งแต่ทางรถไฟยังไม่ขึ้นมาถึงชาวเชียงใหม่นี่ก็ล่องลงไป ปากน้ำโพนครสวรรค์ไส้เรือเรือพายเรือไม้เจาะเอาก็มีเอาไม้ตะเกียนมาเจาะเป็นเรือล่องเรือลงไปขาขึ้นมาก็ถอดขาขึ้นมาถอขึ้นมาพายขึ้นมาการไปมาสมัยโบราณลําบากไม่เหมือนสมัยนี้สมัยนี้มันไปไหนมาไหนรวดเรีว แต่ก็เวลาลดลาเกิดอุปัวิเหตุก็มักจะมีมีภัยอันตรายอยู่เสมอจึงให้พากันอาศัยพุทธคุณคำว่าพุทโธนี่แหละไปในรถก็ไม่ปล่อยให้ใจฟุ้งซ่านให้ใจนึกอยู่ในคุณพระพุทธเจ้าพุทโธ พุทธโธพระพุทธเจ้านั้นเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกทั้งหลายนัตทิเมสารนังอันยังที่พึ่ ง, งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพุทธโธเมสารนังวาลังพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันเลิศสูงสุดของข้าพเจ้าพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า พระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายเป็นที่พึ่งในใจของเราให้ละลึกอยู่ในคุณประพุติเจ้าพุทโธธรมโมสังโฆสังโฆธรมโมพุทโธพุทโธธรมโมสังโฆสังโฆธัมโมพุทโธนี่แหละให้นึกถึงใมันคล่องแค้่วในจิตในใจยังมีชีวิตอยู่ไปมาที่ไหนท่านก็ให้ละลึก แต่นี่บนปลายของชีวิตทุกคนเมื่อแก่ชราแล้วหรือไม่แก่ก็ตามเด็กก็ตามนั้นความแตกดับความตายของคนเหล่ามันมีได้ทุกเวลาถ้าเรามีคนประพุติเจ้าล้ำลึกอยู่ในใจบุคคลผู้นั้นเวลาตายไปก็ตายไปดีตายมีสติ สติคือใจละลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าได้ใจละลึกถึงคุณพระธรรมได้ใจละลึกถึงคุณพระอริยสงสาววจยาใจเมื่อละลึกถึงคุณพระพุทธธรรมประสงค์ได้คล่องแคล่วว่องไวก็แสดงถึงธานะบาลมีสีนะบาลมีเนคขัมบาลมี ปัญญาบาลมีวิริยะบาลามีขันติบาลามีสัจบารามีอธิฐานบาลมีเมตตาบาลามีอุเบกขาบาลมีบาลมีทั้งสิบประการนี่แหละคนโบราณท่านเขียนว่าปัญญาบาลมีรวมแล้วเป็นปัญญาบาลมีคนจะมีปัญญาก็ต้องประพฤติปฏิบัติ ในข้อธรรมบารมีสิบข้อเมื่อผู้ใดเกิดมาเป็นคนแล้วได้ทำบุญให้ทานได้รักษาชิน 5, ช้นห้าชิ้นแปได้ไหว้พระสวดมนต์ได้เจริญภาวนาพุทธโธในใจธรรมโมในใจสังโฆในใจอันนี้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นความสุขกายสบายใจยังมีชีวิตอยู่ในมนุษยสโลก <c oughs> โ่อใดจะินได้บ่อยๆเจริญได้มากไม่ปล่อยปากละเลยนั่งก็พุโทโธธรมโมสังโฆยืนก็พุโทโธธรรมโมสังโฆเดินไปไหนมาไหนก็พุโทโธธรรมโมสังโฆพุทธังธรรมังสังขังพุทธธรรมะสังฆนีเป็นสรณะที่พึ่งของสัตว์โลกทั้งหลายไม่เฉพาะแต่มนุษย์เรา แม่เทวโลกเทวดาก็ภาวนาพุโทโธธรรมโมสังโฆพญาอินพญาพรมก็ภาวนาพุโทโธธรรมโมสังโฆนาคตกุมภันคันทยักษ์ก็ภาวนาพุโทโธธรมโมสังโฆพุทโธธรมโมสังโ ค, โมโมงโคนี้มีบังเกิดขึ้น หลายพันปีมาแล้วเนวว่าพระพุทธเจ้ามาประดิษฐานไว้ในมนุษย์โลกพระพุทธเจ้ามาตรัสลูอายุของพระองค์ได้แปดสบบริบูรณ์จึงดับขันเข้าสู่นรกฐานที่เรานัดพอสอเขียนหนังสือเขียนจดหมายเขียนอะไรก็ตั้งพอสอวันที่เท่านั้นเดือนเท่านั้น พุทธศักราช น, ะนับตั้งแต่พระพุทธเจ้านิพพานมาสองพันร้อยยี่สิบแปดีนี้แล้วอันนี้คือนับนับจากพระพุทธเจ้านิพพานแล้วมาก่อนนิพพานอายุพระพุทธเจ้าได้แปดสิบแปดสิบปีบริบูรณ์คนพระพุทธเจ้านี่เราต้องลำลึกถึง คนภารัตนาตรายัยท่านกล ว, ว่าหรือว่าคุณพระพุทธพระธรรมประสงค์นี่เป็นแก้วสามดวงพุทธรัตนางแก้วคือพระพุทธเจ้าธรรมรัตนางแก้วคือพระธรรมสังขรัตนางแก้วคือพระสงฆ์พระรัตนาตรัยทั้งสามประการนี่แหละให้ทุกๆคนเจริญอยู่เป็นนิจติดต่อกันไป ไม่ว่าชาวไร่ชาวนาชาวปูนซีเมนยังก็ตามภัยนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าอยู่ในใจทําการงานอะไรก็ไม่เน็ดไม่เหนื่อยไม่เมื่อยไม่หิวเพราะว่าคุณพระรัตนตรัยคุณพระศรีรัตนตรัยก็ว่าคุณพระพุทธประมประสงค์อันเดียวกันพุทโธก็เหมือนกับว่าธรรมโมสังโฆสังโฆก็ธ ร, รมโมพุทโธอันเดียวกัน พระพุทธรธรรมประสงค์ได้แยกไม่ออกพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้ก่อนที่ท่านจะได้มาตรัสรู้ท่านก็ปรารถนาเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตการนานมาตั้งสี่อสงไขแสนมหากับคำว่าอาสงไขนะ จะนับเป็นกลับเป็นกันแล้ว่ามันมากมายจนเรียกว่าอาสงไข่นับจนนับไปไม่ได้เรียกว่าอาสงไขยภาษาสมัยโบราณ น, นับไปไมาได้ก็กลับมานับใหม่อีกไงว่าสี่อสงไข่แสนกลับอีกแสนมหากรักวที่พระพุทธเจ้าจะได้ตัดสู่ เป็นพระพุทธเจ้านั่นได้ชั่วเป็นเวลายาวนานพระองค์ก็มีความอดความทนไม่ว่าจะเกิดมาเป็นคนเป็นสัตว์ก็ตั้งอยู่ในหลักศีลห้าชิ้นแปตั้งอยู่ในหลักทําบุญสนทานสมัยพระพุทธเจ้ายังสร้างโพธิยานอยู่ไม่ว่าจะไปที่ไหนอยู่ที่ไหนพระองค์ก็มุ่งมั่นอยู่ในทานบาลมี ในสี น, น่ะบาลามีในเนคคัมบาลามีทุกพพทุกชาติาแก่ทะลามบั้นปลายแห่งชีวิตแล้วท่านก็ออกบวชเป็นพระฤาษีตาพาขาวรักษาชิน 5, ช้นห้าชิ้นแปดในบริสุทธิ์แล้วก็มักจะไปอยู่ในถ้ำในปา่าในดงในภูเขาที่สูงที่สุดแหละ เพราะว่าที่นั้นมันเป็นที่เงียบที่ส ง, งัดเป็นที่เจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเป็นที่สร้างบุญสร้างกุศลท่านตั้งใจสร้างบุญสร้างกุศลอย่างเดียวบารมมก็แก่กล้าขึ้นมาโดยลำดับลำดับคือว่าทาบุญสมฐานจิตใจก็สะอาดกายก็สะอาดเป็นผู้มีหลักศีลห้าอยู่ในตัว คนเราที่จะเกิดมาเป็นคนใดนี่คือว่ามีหลักศีลธรรมอยู่ในตัวศีลธรรมก็คือว่าหลักศีลหคนเรารักชีวิตของตนไม่อยากจะให้ใครมาทำลายชีวิตของตนเบียดเบียนตนเมื่อเราไม่ต้องการให้ใครมาเบียดเบียนตนเราก็ไม่ควรไปเบียดเบียนคนอื่น มุ่งหวังให้คนอื่นสัตว์อื่นแม้จะเป็นสัตว์สิ่งเดียวและชานก็ตามเมื่อเราเห็นเข้าแล้วก็ไม่มุ่งเพื่อฆ่าเพื่อทำลายอย่างเดียวมุ่งหวังให้เขามีความสุขสบายสัตว์บกก็ให้มีความสุขอยู่บนบกสัตว์น้ำก็ให้มีความสุขอยู่ในน้ำยาได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันพระพุทธ เ, ทเจ้าท่านสอนไว้ว่ามนุษย์ และสัตว์สิ่งเดียวและฉานทั้งหลายที่อยู่ในโลกจะเป็นสองเท่าสี่เท่ามากเท่าไม่มีเท่าไม่มีตีนก็ตามก็เป็นเพื่อนเกิดเหมือนกันเป็นเพื่อนแก่เหมือนกันเป็นเพื่อนเจ็บไข้เป็นเพื่อนตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกับเราเราก็เหมือนกับเขาเขาก็เหมือนกับเรา ท่านจึงไม่ให้เบียดเบียนซึ่งกันและกันจงตั้งจิตเจตนาเหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นท่านมีความเมตตาแก่โลก <c oughs> ท่านให้จเจริญเมตตากว้างว่ามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้บรรดาที่มีจิตใจมีวิญญาณทรองอยู่จงให้พากัน <c oughs> อยู่เย็นเป็นศบ เบื้องบนแต่ภวะกระผมลงมาให้พากันอยู่เย็นเป็นศพเบื้องเบื้องต่าตั้งแต่อเวจีมหานรกขึ้นมาให้พากันอยู่เย็นเป็นศพลงกลมคลอนจากตัวเราออกไปหมายถึงลงกลมตั้งแต่ตัวเราออกไปจนถึง หมื่นจั ก, กรวาลแสนโกรจั ก, กรวาลอนันตาจั ก, กรวาลมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในโลกในจั ก, กรวาลดังกล่าวนี้ยองพากันอยู่เย็นเป็นสุขเถิดข้าพระเจ้าไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายขออย่าให้สัตว์ทั้งหลายเบียดเบียนซึ่งกันและกันและขอให้สัตว์ทั้งหลายอย่าได้เบียดเบียนซึ่งข้าพระเจ้าเลย มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในจั ก, กรวาลต่างๆนี้จงมีอายุยืนยาวข่าวไกลทุกคนให้มีอายุร้อยปีเป็นที่สุดอันนี้เป็นความมุ่งหวังเมตตาพระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายท่านเจริญมาชาวเราทั้งหลายที่เกิดมาในยุคนี้สมัยนี้ก็ให้กระพากัน ตั้งจิตเจตนาจเจริญเมตตาให้แก่มนุษย์และเทวดายินชมตลอดทั่วไปตั้งแต่อเวจีมหานรกขึ้นมาจะเป็นสัตว์สิ่งเดรัจฉานประเภทไหนเปรตอสุรกายพวกสัตว์สิ่งเดรัจฉานก็มุ่งให้เขามีความสุขให้มีความสุข กายสบายใจอันนี้เป็นความเมตตามนุษย์คนเราถ้ารู้จักจเจริญเมตตาให้แกสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายก็ได้ถือว่าไม่เบียดเบียนมนุษย์เพราะมนุษย์ไม่เบียดเบียนสัตว์สิ่งทั้งหลายจิงสัตว์ทั้งหลายก็ไม่เบียดเบียนมนุษย์คนและสัตว์ก็อยู่ร่วมโลกอันเดียวกันไม่ใช่ที่ไหนเป็นแผ่นดินอันเดียวกัน มีมหาสมุทรทะเลล้อมรอบแผ่นดินอยู่เหมือนกันส่วนคนเหล่านั้นมันมีปัญญาอยู่บนบกก็อยู่อยู่ในน้ําก็อยู่บางพวกบางเหล่ามีแม่น้ําผ่านบ้านเมืองก็ทําเรือทําแพอยู่ในน้ําอยู่ในเรือในแพอยู่แม้กระทั่งในมหาสมุทรมันก็ไปอยู่ในเกาะ เกาะต่างๆก็ยังมีมนุษย์มีสัตว์อยู่นี่และคนเราเกิดมาในโลกแล้วอยากได้เบียดเบียนกันให้เห็นว่าชีวิตเราชีวิตเขาที่เกิดมาแล้วก็ต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์ความทุกข์ไม่มีใครต้องการตัดธนาทุกคนต้องการความสุขกายสบายใจอยากจะมีความ สุกกายสุกใจไม่ว่าอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็ให้พากันละลึกถึงคุณประพุติเจ้าคนประพุติเจ้านี่แหละเป็นสรณะเป็นสรณะที่พึ่งเวลาคนเราจะรับศีลจากพระก็เรียกว่ารับพระตนาตรายก่อนพุทธัทงสลาณังคกชา น, นิข้าพเจ้าขอถึงพระพฤติเจ้าเป็นสรณะ ธรรมังสลรนังนคัจามิข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นสารณะนะสังฆสารนังนคัจามิข้าพเจ้าขอถึงพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายพูดถึงแล้วเข้าไปแล้วซึ่งพันิพานข้าพเจ้าเอาเป็นสารณ ะ, ะที่พึ่ง แล้ว่าที่พึ่งเอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าพระธรรมเป็นสลาณะที่พึ่งของข้าพเจ้าเราพึ่งพระธรรมทุกเวลาแต่เราไม่รู้เพราะเราไม่ได้ภาวนาจิตใจเรายัางไม่ผ่อใสความจริงแล้วพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ใจเราล้ำลึกถึง เมื่อจิตใจของเราเลื่อมใสในคุณพระรัตนตรยัยท่านว่าเป็นบุญเป็นกุศลแม้ยังมีชีวิตอยู่ทรมาหาเลี้ยงชีพก็จเจริญด้วยอำนาจเตชานุภาพคุณประพุทธประธรรมประสงเมื่อจิตใจของเราล้ำลึกอยู่ในคุณประพุทธประธรรมประสงจะทำมาหาจินอย่างไรก็จเจริญรุ่งเรือง ไม่ต้องไปเบียดเบียนกันไม่ต้องไปทําร้ายร่างกายกันปล่อยให้มันตายไปเองสมมุติว่าเราเกลียดทำคนโน้นคนนี่ก็ไม่ต้องไปฆ่าไปตีไ ป, ไปเปืนไปยิงหรือว่าไปจ้างมือปืนไปฆ่าเขาปล่อยให้มันอยู่ไปร้อยปีกว่ า, วามันก็ตายหมดนั่นแหละเราไม่ต้องไปฆ่าอย่าไปเบียดเบียนกันเพ่งเลงอยู่ในใจของเราว่า ให้คนเราทั้งหลายมีความจุขมีทรัพย์สินเงินทองมีวัตถุเขาของมีบ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัยมีที่ทำมาหาเลี้ยงชีกให้มีความสุขกายสบายใจทั่วหน้ากันตลอดร้อยปีหมดชีวิตก็ให้ไปเกิดสวรรค์เทวโลกฟรมมโลกอันมีความสุขสูงกว่ามนุษย์ มนุษย์เรานี่มีความทุกข์มากแต่ก็มนุษย์เรานี่มันอยู่ในถรำกลางวางครึ่งไม่สูงขึ้นไปไม่ต่ำลงไปถ้าต่ำลงไปเป็นสัตว์นรกสัตว์สิ่งเดลฐานก็มีความทุกข์มากกว่ามนุษย์โดสัตว์สิ่งเดลฐานไม่ว่าอยู่ที่ไหนนกหนูปูเปกสัตว์สิ่งเดลฐานทั้งหลาย มันกลัวภัยจากมนุษย์มากเพราะว่ามนุษย์นี้มันมนุษย์ใจบาปมันก็มีมนุษย์ใจปุญมันก็มีแต่ว่ามนุษย์ใจปุญนี้ทักจะมีน้อยเข้ามนุษย์ใจบาปนั้นมีมากขึ้นคนสมัยนี้ใจบาปมากจะเห็นได้ว่าสมัยโบราณกับสมัยนี้ต่างกัน เคอสมัยโบราณนั้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็เบามือลงกว่าคนสมัยนี้เลยอย่างว่าการฆ่ามนุษย์นี้เขาถือว่าเป็นบาปมากเป็นบาปใหญ่โตมาโหลานแม่ในเขตจังหวัดหนึ่ ง, ง <c oughs> ถ้ามีคนไปเกิดฆ่ากันทำร้ายกันจนถึงตายแล้วเป็นข่าวใหญ่เรียกว่าเป็นข่าวลงหลังสิวพิมใหญ่ละไปฆ่ามนุษย์ ทำไมมนุษย์เหมือนกันจึงไม่มีเมตตาซึ่งกันและกันไม่มีกรุหมนาสงสารกันอันนี้เป็นคนสมัยโบราณเขาไม่ฆ่าไม่แกงกันเขาไม่ได้ไปย้างมือปืนมาฆ่าเหมือนคนสมัยนี้คนสมัยนี้ถ้าโกรธไ้กันแล้วก็ฆ่ากันเอาเหมือนกับฆ่าปูฆ่าป่า ฆ่าปูปลาไม่กลัวบาปแขนใดฆ่าคนก็ไม่บาปแขนนั่นคนสมัยนี้แล้วว่าคนหนาใจบาปอยากช้าทาลุนไม่มีคุณประพุติเจ้าอยู่ในใจไม่มีคุณพระธรรมอยู่ในใจถ้ามีคุณประพุติเจ้ามีคุณพระธรรมมีคุณพระอริยสงฆ์โยน่ายจิตในใจแล้วคนเราจะมีความสุขกายสบายใจ เรื่องเดือดเนื้อร้อนใจไม่ค่อยนีดูสมัยครั้งพุทธกาลสมัยพระพุท ธ, ธเจ้ามาตรัสลู้ในโลกแม่ท่านจะได้เกิดเป็นคนอินเดียก็ตามได้ตดรัสลู้ในอินเดียสั่งสอนทำส่วนมากก็เรียกว่าอยู่ในแคนอินเดียเมืองประเทศอินเดีย เมืองไทยนี้พระพุทธเจ้าก็เสด็จมาโปรดอยู่มีพระบาทสี่ร้อยคือในโลกเหล่านี้มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตรัสลูไปแล้วทั้งองค์ปัจจุบันนี้เร้ย ว, ว่าสี่พระองค์พระพุทธเจ้าองค์ที่หนึ่งชื่อว่าพระพุทธเจ้ากุกูสันโธองค์ที่สองชื่อว่า โกนาคมาโนองค์ที่สามชื่อว่ากัตสโปกับพรพุทธเจ้าองค์ที่สี่คือพระพุทธเจ้าโครหลานี้เรียกว่าโคตมาโคตโมโคตมโ ค, โคตโคได้มาตรัสลู่ในโลกก็ตอดเวนยสัตว์ทางหลายทั่วไปเมืองไทยเมืองเชียงใหม่เมืองไหนก็ตามพระพุทธเจ้าท่านจะไปที่ไหนก็เหมือนก็นว่า ยืดแขนออกไปแล้วก็ถึงถกแขนเข้ามาก็ถึงไปไหนมาไหนท่านไม่ต้องอาศัยรถเรือยานพาหนะไปด้วยลิฟต์ด้วยอำนาจแห่งพระพุทธเจ้าเลว่าสเส ด, ดไปไปได้อย่าว่าจตในพื้นโลกพื้นแผ่นดินมนุษย์เราเลย บนพระฟ้าบนสวรรค์พระพุทธเจ้าก็ยังไปโปรดพุทธมานดาคือแม่พระพุทธเจ้านั้นยังไม่สิ้นความปรารถนาแม่พระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยคือว่าเป็นแม่พระพุทธเจ้าคุ่คูสันโทในทางลูกตายพระโกนาคมนโนก็เป็นแม่คนนี้พระกัจจโพก็แม่คนนี้ พระโคตโมพระพุทธเจ้าเรานี่คือแม่คนนี้แหละต้นป่าธนาเป็นแม่พระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ที่จะมาตรัสโลในแผ่นดินนี้ยังเหลืออยู่พระศีอริยะเมตโยโพธิสัตวมาเกิดก็จะมาเกิดในท้องแม่คนนี้แหละเดี๋ยวนี้ยังไปอยู่เมืองสวรรค์ท่นดูสิ แล้วอยู่บนสวรรค์สั้นฟ้าในสมัยพระพุทธเจ้าโคโดมของเรายัางมีชีวิตจิตใจอยู่ท่านจึงไปโปรดพุทธมารดาพร้อมกับเทวดาทั้งโลกที่ตาวติงสาเป็นที่นั่งเทศนาพระอภิธรรมตลอดไตรมากสามเดือนพระพุทธเจ้าประจําพรรษาอยู่บนสวรรค์ บนสวรรค์สูงเป็นอวกาศพระพุทธเจ้าไปจำพรรษาสามเดือนพระพุทธเจ้าก็มีลมหายใจอเมริกามันขึ้นไปดูะจันหาลมหายใจไม่มีน้ำไม่มีลมหายใจไม่มีเป็นอวกาศอาวกาศแห้งแงล้งร้อนที่สุดหนาวที่สุดพระพุทธเจ้าก็ไปจำพรรษา จึงมีธรรมเนียมว่าเมื่อออกพรรษาแต่ละปีละปีมนุษย์เราก็ทำบุญสุนทานรับออกพรรษาเดือนสิบเอ็ดแรงคั้นหนึ่งเป็นวันสมัยกัะพุตธเจ้าไปจำพรรษาตาวะติงสาสั้นฟ้าสเสด็จลงมาในเวลาสเสด็จลงมานั่นมนุษย์ก็เห็นเทวดาอินทรมแห่แห่น ลงมาจากบนส่วงสวรรค์ให้มนุษย์ได้เห็นนางฟ้านางสวรรค์เทวดาผรมพยาภรมพยาอินพยาผร ม, มเห็นหมดแหละเพราะฤทธิเดชพระพุทธเจ้าบันดุมบันดาลข้างล่างมนุษย์ถ้ามองลงไปในแผ่นดินก็เหมือนมีกระจกเงาบองเห็นสัตว์ที่ตกนรก มีความทุกข์ยากลำบากลำคาญอย่างใดในพื้นแผ่นดินก็มองเห็นเวลานั้นก็ชื่อว่าเป็นโกลาผลอย่างหนึ่งเมื่อถึงวันออกพัรษาตักบาตเทโวเทโวแปลว่าเทวดาคือพระพุทธเจ้าบันดาลให้มนุษย์เห็นเทวดาส่วนเทวดานั้นเป็นเห็นมนุษย์ทุกเวลา แต่มนุษย์เราต่างหากไม่มีตาทิพย์มองไม่เห็นเทวดาเห็นแต่มนุษย์โดยกันเท่านั้นกับสัตว์สิงเดียรฉานสัตว์บกสัตว์น้ำความจริงเทวดาเห็นเราแต่เราไม่เห็นเทวดาเห็นนั้นใครจะทำบาปอกุศลใดๆก็อย่าไปทำเพราะว่าเทวดาเป็นเห็น เราไม่เห็นเทวดาแต่ว่าเทวดาเป็นเห็นเราทำบาปเราอย่าทำบาปให้พากันเว้นจากการทำบาปด้วยกายด้วยวาจาคือคำพูดด้วยใจคือความคิดใจของเราให้เราเลือกอยู่ในพุทธโธพุทธโธคงพระพุทธเจ้าคนพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะไปนึกไปเจริญที่ไหนท่านว่ามันเป็นสิริมงคล พุทโธพุทโธนี้พุทธคุณคุณประพุทธเจ้าผู้ใดเจริญถึงและลึกถึงอยู่ย่อมมีความสุขความเจริญทางนั้นในนั้นการภาวนานี้ไม่ว่าเราจะไปที่ไหนอยู่ที่ไหนในพื้นโลกนี้ภาวนานได้ทางนั้นอยู่บ้านก็ภาวนานที่บ้านไปวัดก็ภาวนานที่วัด ไปท้ำไปภูเขาก็ไปภาวานาที่ภูเขาสถานที่จเจริญภาวานาท่านว่าไม่เลือกสถานที่นั่งก็ภาวานาพุทโธให้ได้นั่งแบบไหนก็ภาวานาพุทโธได้ทางนั้นแหละยืนแบบไหนก็ภาวานาพุทโธได้เดินไปไหนมาไหนที่ใดๆก็จเจริญภาวานาพุทโธได้ ไปรถไป ล, ไปลาก็ภาวนาพุโทโธได้ไปเรือน้ำเรือบกอะไรก็ไปบนเครื่องบินก็ภาวนาพุโทโธได้พุโทโธนี้จงลํำลึกไว้ในใจของเราว่าพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพาอาศัยของเราได้จริงเมื่อบัรปลายแห่งชีวิตของคนเรายอ่อมมีความตายเป็นผลที่สดุด ก่อนที่เราจะตายจากโลกนี้ไปก็ภาวนาพุโทโธนี่แหละพุโทโธในใจนี่เป็นยานเป็นพาหันะเป็นบุญเป็นกุศลที่จะพาเราท่านทั้งหลายให้ไปเกิดในเทวโลกในพรมโลกก็ไปจะอยู่ที่ไหนที่ไหนไม่เลือกภาวนาพุโทโธธรรมโมสังโฆได้ทังนั้น ให้ใจเราล้ำลึกอยู่ในคุณพรัตนาัยทั้งสามประการเมื่อมีคุณพัตนาใยอยู่ในใจเราทุกคนตลอดเวลาที่ไหนก็เป็นความร่มเย็นเป็นสุขไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนใดๆมนุษย์เห็นกันก็มีความเมตตาการุณาซึ่งกันและกัน ไม่คิดฆ่าคิดทำลายไม่คิดเบียดเบียนซึ่งกันและกันมุ่งหวังให้ทุกคนมีอายุยืนยาวข้าวไกลมุ่งให้ทุกคนได้อ า, อายุได้ร้อยปีด้วยกันทางนั้นไม่ให้ต่ำกว่าร้อยปีมุ่งหวังให้มีความสุขความสบายอันนี้เป็นหน้าที่ของคนเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ได้พบพุทธาศาสนาแล้วก็ให้รู้จักการเอาบุญบุญนั้นไม่ใช่มีแต่การทาทานการกุศลอย่างเดียวศีลก็เป็นบุญภาวนาพุโทธโธพุทโธนี่ก็เรียกว่าภาวนาไม่บุญสาเร็จด้วยการภาวนาบุญสำเร็จด้วยการภาวนานี่ไม่ต้องไปซื้อหาแดเกเปลี่ยนด้วยวัตถุเข้าของเราเอากาย ของเราเอาวาจาของเราไหว้พระตรวจมนต์สัมเสริญคุณพระพุทธเจ้าเอาดวงใจของเราบูชาพระรัตนตรยัยภาวนาพุโทโธในใจของเราให้ได้ทุกเวลาไม่ว่าเราหลับตาลืมตาภาวนาในใจของเราลูกเดียวตลอดไปผลจะตกฝ้าจะร้องแดดจะออกความทุกข์ใดๆบังเกิดมีขึ้น เราก็จะไม่หลงไม่ลืมภาวนาพุโทโธในใจของเหล่านี้อันนี้แหละเป็นข้อัปฏิบัติทั้งพระภิกษุ ส, สงฆ์ในทางสามเณรในทางพุทธศาสนาะทั้งญาติทั้งโยมเรียกว่าอุบาสกอุบาสิกาสัทถาชาวบ้านก็นึกได้ซึ่งคุณกระพุทธธรรมประสงค์จงทาจิตทำใจของเราให้ผ่องใสสะา เมื่อจิตใจของเราผ่องใสสะอาดปราศจากมนกิ่นโทษไม่มีความโกรธไม่มีความโลภความหลงในใจของเราได้เมื่อใดแล้วจิตใจของเราก็จะผ่องใสสะอาดไม่มีอาฆาตพยาบาทจองเวรแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายให้เราจเจริญอยู่ในพุทธังธรรมังสังฆังในใจของเราได้ทุกเวลา ทั้งหลับตาและเลืนตาทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนแม้เราจะอยู่ในเพศพันวันณะใดๆจะมีอายุแก่ชราไปมาไม่ได้จะมีอายุอยู่ในขั้นกลางก็ตามยังอยู่ในวัยเด็กวัยหนุ่มก็ตามให้เราพากันเจริญล่า ล, ลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเนืองนิดติดต่อกันไป ละเลิกถึงคุณพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนืองนิจติดต่อกันไปละเลิกถึงคุณพระอริยสงสารวกในใจของเราให้เนืองนิจติดต่อกันไปจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายเราจะตายจากโลกนี้ไปก็ตามใจของเราก็ให้ล้ำลึกอยู่ในคุณพระพุทธรธรรมพระสงค์ ให้ใจของเราเย็นสบายไม่ให้ใจร้อนด้วยกิเลสเลิกละกิเลสราคะให้เบาบางหมดสิ้นไปเลิกละกิเลสโทสะให้เบาบางหมดสิ้นไปเลิกละกิเลสโมหะให้เบาบางหมดสิ้นไป <c oughs> เมื่อเราทุกคนตั้งใ จ, จเจริญภาวนานอยู่ในใจเนืองนิจติดต่อกันไปแล้ว ความมุ่งหวังใดๆในใจของเรามีอยู่ความมุ่งหวังนั้นๆก็จะสําเร็จลุล่วงไปได้ดังความมุ่งมากตาดถนาด้วยเตชานุภาพคุณพระพุทธเจ้าด้วยเตชานุภาพคุณพระธรรมเจ้าด้วยเตชานุภาพคุณพระอริยสงสาวกเจ้าทั้งหลายหากบันดลบรรดาลให้เป็นไป ทั่วชีวิตของเราทุกคนมีความสุขกายสบายใจทั่วหน้ากันดังสแสดงมาก็สมควรด้วยกาละเวลาเอวังก็มีด้วยประการละชนียาถาวะริวหาปูราปริปุเรนติสาขะลังเอวเมวะอิตตินัง เปตาหนังมุปตะปฏิอิจิตังปฏิตังตุมหังจิตเมวสัมมิตตุสัพเทปุเรนตุสังกตาจันโทปนาราโสยะธามะนิจโตติดาโย t ธาสภ i ติโยวิวัชันตุสปะโลกโววินสตุมาเตภวตะวันตรายโย สุขีธีขายุโกภวะอิวาทนาสิริจเนจังรุทธาปัจจายิโนยัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโอสุขังตาลังเทวโตอะระหโตสัมมาสัมพุปตถา นาโมตัสสะทักขวะโตอะระหะตมมธธโ ต, ส, ะะ ต, โะตสัมมาสัมพุทธาออนาโมตัสสะทักขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาขอหน่อบนแดพระผู้มีพระภาคกระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นนาบัดนี้ ถึงเวลาฟังธรรมได้เวลานั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธิภาวนาให้หัดนั่งขัดสมาธิธการนั่งขัดสมาธิธนี้ให้เอาขาซ้ายขึ้นไปทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้าย เอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตาเนกบริกรรมภาวนาวันนี้ให้นึกถึงมรณะกรรมฐานคำว่ามรณะกรรมฐานกรรมฐานคือความตายนี่ ถ้าจะว่ายังหนึ่งก็เรียกว่าเป็นยอดกรรมฐานเพราะคนเราและสัตว์โลกทั้งหลายนั้นที่เกิดมาแล้วบันสุดท้ายคือความตายความตายหรือตายไม่ใช่เพียงแค่คำพูดเวลาสัตว์จะตายก็ดีคนจะตายก็าตาม แต่ว่าการตายของคนเหล่านั้นไม่เหมือนกันบางคนก็ตายอุปัตถวัยเหตุภัยต่างๆก็มีเยอะแยะนับไม่ถ้วนบางคนก็โรคภัยไข้เจ็บตามฤดูกาลก็ตายได้บางคนก็แก่ชรา ด้วยอำนาจแกช ะ, ะลาไม่มียาแก้ก็ตายไปก็มีบางคนนั้นเกิดมายังไม่ใหญ่โตเท่าไหร่เกิดวันนั้นตายวันนั้นก็มีตายทั้งแม่ทั้งโลกก็มีความตายนี่นับว่าเป็นภัยอันใหญ่หลวงที่สุด คนโบราณจึงตั้งชื่อให้ความตายนี้ว่าเป็นพยาใหญ่ให้ชื่อว่าพระยามัจจุราชคือความตายแต่เราจะไปมัวกลัวความตายไม่ทำความเพียรละกิเลสไม่นั่งภาวานาปฏิบัติบูบชาให้มันข้ามพ้นจากพบทาตเสียก่อนจึงให้ตาย ถ้าตายเวลานี้จิตใจยังไม่หลุดไม่พ้นออกจากกิเลสลาคะโทสะโมหะแล้วได้ชื่อว่าตายไม่แล้วตายไม่จบตายไม่จริงจงตั้งใจปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวานาตั้งแต่นี้ต่อไปชั่วชีวิตของเราแต่และบุคคล พราชีวิตของคนเราั a n ตัวเองจะกะเจนเอาว่าจะให้ได้เท่านั้นเท่านี้จึงจะตายไม่ได้หรือคนอื่นจะลองขอสวดมนต์ภาวนาขอให้คนนั้นอายุได้เท่านั้นเท่านี้จึงให้ตายมันก็ไม่ได้เหมือนกัน มรณะาภัยนี้เมื่อมาถึงบุคคลผู้ใดพยามม จ, จุราหรือมรณะความตายเขาไม่ได้กลัวเขาไม่ได้มีความเมตตาว่าคนนั้นเป็นหญิงคนนั้นเป็นชายเขาไม่ว่าคนนั้นคนดีวิเศษละกิเลสให้หมดไปสิ้นไปมันก็ไม่ยกเว้น สมณะชีพามก็ไม่ยกเว้นอุบาสกอุบาสิกาก็ไม่ยกเว้นแม้จะเป็นเท่าพญามหากระัใหญ่สูงใหญ่โตปันใดในโลกมนุษย์พญามัจจุราชคือความตายไม่มีการยกเว้นให้เราเข้าใจว่าตัวเราทุกวันนี้ เรานอนหลับโยกก็คือว่านอนหลับรอท่าความตายจงกาหนดให้ดีแล้วว่ามรณงเมภาวิสติมรณ ะ, ะความตายเรามักจะคิดว่าเรานอนสบายเอาความสุขสบายแท้ที่จริงนอนรอวันตายแล้วเวลาตายมันก็เื้นเรานอนนั่นแหละ แต่ว่าจิตมันยังไม่ออกจากร่างความตายนั้นแล้ว่าจิตมันออกจากร่างแล้วเจตใจคนเรานั้นเมื่อมันออกจากสารีละร่างกายอันนี้แล้วไม่มีใครรู้เห็นไปได้ทุกทิศทุกทางจึงเึกเตือนจิตเตือนใจดวงนี้เมื่อยังไม่ถึงเวลาตายว่า มารนังเมพาวิติติเราต้องตายคนทั้งหลายต้องตายสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าสัตว์บกสัตว์น้ำตายด้วยกันทางนั้นความตายนี้ไม่มีใครลหลบหลีกแต่ว่าผู้จะมานึกมาเจริญพิิารนาให้เห็นแจ้งซึ่งความตายนี้ไม่ค่อยจะมี บางคนถ้ามีสติปัญญาน้อยก็มักจะไปกลัวความตายเพียงจะเอามานึกมาทิจเร น, นาเป็นกรรมฐานสอนใจว่าเราจะต้องตายก็นึกไม่ได้ถ้านึกจเจริญก็กลัวมันตายเร็วเข้าเพราะตัวเองยังไม่อยากตาย เป็นอย่างนี้ก็มีแต่ว่าให้คนเราทุกคนนึกให้ได้จเจริญให้ได้ว่าความตายไม่หนีไม่พน้นจะหลบรลีกท่าไหนก็ไม่พน้นหลบไปเถอะลีกไปเถะพ ท, ทนเวลาเด็กเวลาหนุ่มตายก็มีทนเวลาหนุ่มแข็งแรง ปานกลางคนตายก็มีเลยปานกลางไปเลยอายุสี่สิบปีห้าสิบปีไปก็ตายได้ทางนั้นหกสิบปีก็ตายเจ็ดสิบปีก็ตายแปดสิบปีก็ตายเก้าสิบปีก็ตายเก้าสิบเก้าปีก็ตายร้อยปีก็ตายเลยร้อยปีไปสักกี่ปีก็ตาย เมื่อยังไม่ตายเหมือนกับว่ามีฤทธิ์มีอำนาจมีวาสนาถ้าไม่กลัวใครข้าใหญ่ก็ใหญ่ไปเถอะถ้าความตายมาถึงเข่าแล้วตัวทิฏฐิมานะที่อวดรู้อวดฉลาดอวดดิบอดดีมันตายทั้งนั้นแหละ สู้กับความตายไม่มีถากไม่มีใครสู้ใครจะมีอาวุธยุทธภัณฑ์แบบไหนก็ตายสู้ไม่ได้สู้ตายแล้วก็ได้สู้ไม่ให้ตายนั้นไม่ได้แค่นั้นต้องดึกต้องเจริญในจิตในใจนี้ให้เข้าใจ สอนจิตใจของตนให้ได้ในมรณกกรรมฐานอันมรณกกรรมฐานที่ว่าเป็นอุบายภาวนามันไม่ใช่เพียงแต่เรานึกว่าตายตายหรือว่ามลณังเมภาวิสติเนื้อจบแล้วก็แล้วเท่านั้นมันไม่พอ เอามาคิดมาพิจารณาเพ่งมองในจิตในใจกำหนดให้รู้แจ้งในจิตในใจของตัวเองจริงๆ จ, จนรู้จักรู้แจ้งรู้จริงจนจิตใจเลิกละกิเลสความโกรธโลภหลงอวิชชาตัณหาในใจได้จึงจัดว่าบรรลุมลนกรมมัฐาน เป็นยอดธรรมสูงสุดจนเข้าถึงความสลดสังเวทเมื่อตัวจะตายก็าตามคนคนเห็นคนอื่นตายก็าตามจนได้ความสลดสังเวทไม่ใช่กลัวตายเท่านั้นพอเอาให้มันได้สลดสังเวทว่าคนเราก็าตามสัตว์ทั้งหลายก็าตาม มันหนีตายไม่พ้นหลบตายไม่พ้นหลีกตายก็ไม่พ้นหลบไปไหนก็ตายนุ่งผ้าเหลืองผ้ากาศสาวพัดก็ตายนุ่งผ้าขาวก็ตายนุ่งผ้าเขียวก็ตายตายได้ทั้งนั้นแกก็ตายหนุ่มก็ตายเด็กก็ตาย พระก็ตายเนรก็ตายภาคเขานางชีตายได้ทางนั้นเมื่อถึงเวลาเดี๋ยวนี้มันยังไม่ถึงเวลาคือเวลาบุญกุศลยังมีอยู่คนเรายังมีชีวิตลมหายใจอยู่คือว่านี่แหละเป็นบุญเราจะภาวนาพุทโธพุทโธก็ได้เมื่อยังไม่ตาย ถ้าถึงวันเวลาตายแล้ยมันภาวนาไม่ได้มันปันป่วนหมดลตัวเองก็ทุรนทุรายเจ็บปวดทุกขเวทนาถ้าผู้ใดตายเพราะอุปทัวัยเหตุถ้ามันตายปุ๊บไปทีเดียวก็ไม่มีเรื่องแต่มันตายไปครึ่งหนึ่งกลางหนึ่ง จิตใจยังคลองล่างอยู่มันทุกข์สเสวยทุกขเวทนาใครทำอะไรอะไรให้มันไม่ถูกใจทั้งนั้นแหละก็ตัวจะตายมันก็เป็นอย่างนจงนึกจงเจริญไวทำให้แจ้งในในมลณ ะ, ะกรรมฐ า, านด้วยประการทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรอะไรเอาให้มันทันตายเมื่อใดก็ไม่ต้องไปร้องให้น้ำตาไหลเหมือนคนบางคนไม่ต้องบนเพ้อลำไหลจงตั้งอกตั้งใจสงบจิตสงบใจด่าให้วิตกวิจาร์ท่านว่าให้เมตติ สติก็คือว่าจิตใจตัวเองเตือนใจของตัวเองได้แล้วว่ามีสติคนเราบางคนเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่ายังไม่ถึงตายก็ลาเมื่อมันเจ็บเข้ามามากๆจิตใจมันก็ไม่เป็นที่ตั้งไล้ว่าวุ่นไปหมด โลกบางอย่างบางประการก่อนจะตายมันลองอมันคางมันไม่มีที่อยู่แล้วนั่นแหละเมื่อภัยอันตรายเช่นนั้นมาถึงเข้าจิตใจที่ทำอยู่ทุกวันนี้มันสู้ได้หรืออยางปล่อยวางได้หรืออย่างเมื่อถึงเวลานั้นถ้าจิตนี้ยังพูดว่ายังไม่ได้ ยังไม่ได้ก็จะมานมัวนอนหลับนอนฝันอยู่ไม่ได้ต้องตื่นขึ้นลุกขึ้นภาวนาต้องทำเพียรปฏิบัติบูชาภาวนาให้มันจริงจังในหัวใจจนถึงขั้นระ ง, งับดับความง่วงเหาเานอนฟุ้งซ่านลำคาญได้หมด ความที่เกียจที่ค้านมัก่ายในหัวใจไม่ให้มีภาวนาเลิกและแก้ไขได้หมดเดินเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถมองเห็นภัยอันตรายเมื่อความตายมาถึงเข้าอย่างว่ายืนอยู่เวลามันจะตาย เกิดเป็นลมเป็นแรงขึ้นมาหัวใจวายกกิดเยืนอยู่มาก็ล้มตึงลงมาตายไปเลยแก้ไม่ทันไม่มีทางแก้จะไปวิ่งหาหมอหาหมอที่ไหนไม่ทันล้มลงก็ตายหน้าแรตาตายไปหมด ตายอย่างนั้นข้าไม่เอาตายอย่างนี้ข้าไม่เอาไม่ได้ตายอย่างใดก็จำเป็นต้องเอาแล้วต้องตายแล้วเนึกอให้ได้เจริญให้ได้ในใจสอนตัวสอนใจให้ได้สอนคนอื่นในยังสู้สอนตนไมได้บัวเองนั่นแหละสอนได้ยากมันไม่ค่อยฟัง ดันดื้อไปอย่างนั้นแหละต้องเอาให้มันทันเอาให้มันได้เอาให้มันถึงเอาจนไม่ต้องไปถามใครพระพุทธเจ้าตัดเทศนาธรรมไว้แปดหมื่นสี่พันพระธรรมคันคือให้ตัวเองเอาไปสอนตัวเองไม่ใช่ว่ามีหนังสือมีพระธรรมอยู่แล้วก็ตั้งไว้เฉย สอนตัวไม่ได้กิเลสลาคะในใจก็เลิกไม่ได้ละไม่ได้ชื่อว่าไม่นึกถึงความตายเมื่อความตายมาถึงเข้าได้อะไรพ่อแม่พี่น้องญาติกาวงสาสามีภรรยาลูกเต้าหลานเหล็ง รับชินเงินทองเลือกสวนไล่นาบ้านเรือนตึกลามเอาไปได้ที่ไหนเทศนะมันเห็นมองให้ได้พิจารณาให้มันเห็นแจ้งในจิตเนกมาแต่งแต่เมื่อมาเกิดมีอัตมีสตางมีวัตถุเ ข, ข้าของอะไรติดตัวมาเมื่อเกิด ไม่เห็นมีอะไรตริดตัวมาได้แต่น้าเลือดน้าเหลืองอาบน้าเลือดน้าเหลืองอ อ, ออกมาได้แต่หนังหุ้มกระดูกมาสินี่แหละตายไปก็ยิ่งหลายหนังหุ้มกระดูกนี้กระดูกนี้กับมนุษย์ที่ยังไม่ตายเขาก็เผาถีีกระดูกไปตามเลือก เอาอะไรไปไม่ได้ทั้งนั้นทำไมจึงห่วงหน้าห่วงหลังหิดตกฟีจานเตือนจิตใจดวงผู้โลกในตัวในใจให้มันเตืนขึ้นให้มันลกขึ้นทำความเพียรภาวนาถ้ามันหายโง่เขาเบาปัญญาเสียที ให้มันละกิเลสโลเลในหัวใจนี่ให้มันได้เสียทีย่างนั้นอุบายต่างๆนี่แหละแนวว่าเตือนใจด้วยมรณะกรรมฐานย่าได้สมาธก็จะมีแต่ความสุขความเจริญในทางพุทธศาสนา ดังแสดงมาก็ส้มกวลด้วยกาละเบลาเอวังก็มีด้วยประกาศชนีสภีติโยวิวัตชันตุสพะโลโควินัสตุมาเตภวัตตวันตราโย ο. สุขีเทคายุโกภวะอกิวาธนาชิริสันิจังวุท ธ, ธาพจายีโน ยะตโรธรรมาวัฏันติอายุวนโนชุขังสาลัง